อารมณ์โทสะระพยาบาตินี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งว่าราค์โทสะขี้ไฟก็โทสะเป็นไม่เหตุสร้างความเล่าร้อนปร <c oughs> ะการบัณทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธ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 นี่แบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายองค์สมดเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความย่ำบาดเป็นเครื่องบัญทอนความดีนี่เป็นการหนึ่งคนที่มีความโกรธความย่ำบาดเล่าห น, นีแก่เร็วเพราะว่าความโกรธความย่ำบาดมีความเล่าร้อนเผาผัานผานจิตใจทําร่างกายสุดโสมโทมเมื่อความคิด อารมณ์ฟุ้งซ่านฟุ้งพล่างคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทมในอย่างหนึง่งและอีกราการหนึ่งโทรมเพ่าโรคภัยไข้เจ็บก็ามาเบียดเบียนเพรคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนอย่างหนึง่งและอีกราการหนึ่งก็โทมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกาย ที่บราการหนึ่งเมื่อไปทำลายร่างกายเขาเขา้าไปทำอันตรายเขาเขา้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเขา้าคุกเขา้เขาตารางคราวนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้งทัพย์สินโสมทั้งความสุขรวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดีเมื่ออยู่ในสตภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุขถูกเขาจับไปค้งไว้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 เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาวั น, นีคือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาก็ต้องการจะทรงเคราะหให้คนสัตว์โลกและพนโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้ว่าการทรงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการทรงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใบทรงบังคับ ทรงตัดไว้เส ม, มอว่าอาคาตาโรตถาคาตาตัดว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทําตามและไม่ทําตามก็ตามใจไม่มีกา ร, ารบังคับเพราะพุทธศา ส, สนาไม่ขับแคบมีใจกว้างห่อให้ทําตามก็ตามใจไม่ทําตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใคร นี่ความจริงมันยกย่องาศาสนานี้ว่าดีกว่ า, าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นาศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกวางขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมามองค์สมเด็จพระสุโขทันเห็นว่าความโกรธความเยบาศเป็นการเลดรอนความดีเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน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 ถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสำคัญดีไหมที่แนะนำพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปริทันหลายเห็นว่าผิดไ้ยเนี่ยเป็นการคัดั้นพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระธรรมสามิตรหรือเปล่าความจริงถ้าจะบอกว่าคานก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้เขาจิตไม่ได้คิดว่าจะคาน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 มันไม่ได้ม bueno. ีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกมาเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่ามาเดือนก่อนปีก่อนรวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ ฉะนั้นถาหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มี <c oughs> <c oughs> เกิดคดลืมตาขึ้นมาวันนี้ก่อเดี๋ยวนี้อยู่ไปถึงวันเรือมบ่ายมันก่อนเดี๋ยวนี้เย็นค่ามันก่อนเดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นทลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้ก็รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกัน ในความดีเดี๋ยวนี้ทํำยังไงในพระมิหันสี่มีสีอย่างคือว่าท่านบอกว่าไอส้สอย่างเนี่เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทําได้ถึงที่สุดแล้วาอรม์ได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขถึงที่สุดทั้งที่สุดตรงไหนท้งที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่อว่าอรมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟัง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 เห็นคนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าแล้วก็ใช้อัปจา ย, ยน ก, กรรมยกมือไหว้ทาความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านหลงคิดดูว่ามันเป็นอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวันโกปฏิวันทันปฏิวันทน น, ทนังผู้ไหว้ ย, ยังไม่ได้ไหว้ตอบ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 ว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจได้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มเสียตายถ้าเขายิ้มด้วยความจริงจริงใจยิ้มในความมีสเสน่ห์เราก็แหมด้วยควาเกือบจะโดดจะโดดเข้าไปกอดไปรัดฟัดเปลี่ยงให้มันสมกับความดีของเขามีความรู้สึกตาองมาเป็นแบบนี้นะ แต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านนั้นไหลไปยังไงเนี่ยแต่มาไม่ทราบถ้าไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับหลงคนอื่นเกี่ยวกับหลงของคนพูดอย่างเดียวอันนี้ถ้าว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกแ้าก็มีเหมือนกันคนบ้าบ้าบอในโลกนี้เขาพจาหามได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้ก็สร้างความชั่วเช่นพระเทวทั์เป็นต้น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 หาทางช่วยเหลือตามกำลังปัญญาตามกำลังทรัพย์ตามกำลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวหิวอหารมาเราก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไงสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้นเอามาวัดทั้งใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขได้มได้มีความทุกข เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราปเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าเปเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างยอย่าถือโทษโกรธเกินไปเพอเราแสดงความดีเขาเข า, ขาไม่แสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก่อนแล้วกันเทวทัตทำกรบองมสมเด็จพระพักวันมากมายแต่องคสมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธ ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับรักเราหนุ่ลูกชายของเรานี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแ ก, กล้งเรายิ้มผลที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัต เมื่อมีความเร่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจของเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในภรมีฐาน4คือกรุณาและเมตตานี่เป็นประการที่2กรุณาและเมตตาเป็นบัดใจในการผูกมิตร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 หมายถึงคนละสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะเพิ่งทาได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างได้เห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอาไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างแล้วก็ให้ตามกําลังที่เราจะเพึ่งให้ไม่ใช่บีบคั้น ลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทำอย่างนี้เขาบางอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาในกานีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจง ม, มีจิตห่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่อิจฉาดีศียาบุคคนอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขาส่งเสริมความดีที่ เ, เราพรอยินดีด้วยแต่ว่าอย่าไปส่งเสริมเฉย ส่งเสริมใช้เฉยมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกําไรเราต้องเป็นคนหากําไรกําไรที่เราจะเพึงได้มันจะมาจากไหนวันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความอุ่นหนาว้าคัง่งในทรัพย์สินเขาทํำยังไงเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาจึงเจริญเห็นเขาเข้าปล่อยไม่อิจฉาไม่อิจฉาได้เสียเขาพรอ ย, ยินดีด้วย แต่เท่าว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จะเพิ่งได้นั่นยังไงแต่ก็คือมองดูที่้ว่าพิจารณาให้ดีว่าผลนิ่งความดีผลนิ่งความสุขที่เขาจะเพิ่งได้มานั่นศักดิ์ศรีที่เขาเพิ่งได้มานั่นเขาได้มาด้วยการอย่างไร วินิจใย้ท้่ท่องแทนแล้วก็จะปล่อยวินิจใช้เฉยๆย่าใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทํามาแล้วมาทำให้ด้วยมันจ ะ, จะได้ช่วยให้เรา ม, ามีความดียิ่งยิ่งขึ้นและสม่าเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่างแต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอสิน ขอแนววิธีการปฏิบัติปฏิบทาิธที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนที่ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขาังเกลียว่าเราจะไปเยือแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจเราเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรมธรมดาธรรมดา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 เชียงใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทำความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วกนแล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็นเป็นเป็นปัจจัยของความพ้นทุกข์นี่ในหนึ่งโลกกรรทาแปรเดวกันถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไว้เพราะมีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไป เมื่อลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถาบรรดาศักด์ก็ทำความรู้สึกว่ายศถาบรรดาศักดินี่ใครเขาก็หากันได้ที่ได้มาแล้วหมดยศไปทุ่เถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศขโูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถา้าเขาเข้ามาสันเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสันเสริญก็ยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสันเสริญว่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วยถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วเราก็ไม่โ่วด้วยคํานินทาเราสันเสริญเมื่อเกิดขึ้นเราก็เฉยแต่ไม่แสดงการปฏิเสธในคําสันเสริญเขาสันเสริญแล้วก็ยิ้ม เขาเมานินทาเสียดสีเราเราก็ยิ้มสะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสันเสริญคนถ้านสนเสริญเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขาบ่นด่าว่าเนินทาเราเรายิ้มเขาก็ชำใจเหมือนกันชำใจเพราะอะไรเพราะคําคนินทาด่าว่ามันไม่มีผลนักขเขา้านักเข้าเขาขี้เกียจ ด, ดา่าขี้เกียจว่าทนไม่ไหวเขาว่าเลิกดา่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไป ความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาทที่พูดมานี่เป็นเพียงเพียงแค่ทําใ็นคําธรรมดาธรรมดาในด้านสมถะภ า, าวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าอย่าทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่นี่มากกว่าเบิกขา อุเมกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อวางเฉยในโลกธรรมทั้ง8ประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระราหารันเรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไอ้ความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีขึ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับไปกดคอเขาไว ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กําลังต้องเข้าประหัตประหารกันการรวมนั้นใช่รวมความดีเข้าประหารความชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทนที่ดีก็ประหารไม่พินาศไปเส้นเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาเอเอา เ, อาเอาบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุเปกขายานสังขารุเปกขายานหมายความวางเฉยในขันห้า ท, ทั้งหมด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 กวสะดวงสะเทือนใจเดิมหน่ายของความโกรธล้วก็เฉยมันซะอีกวิทีเขาดา่าเขาว่าเขาดา่าขันห้าเขาไม่ได้ดา่าเราคือจิตไปความหลงไหลฝ่ายฝันในอามิ t h คือรูปโฉมโนมพันธุ์เราก็เฉยมันกิ๊ว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันชั่วคเราพังแล้วกดแล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นบนจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ใคร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 อย่างนี้อารมณ์ขมันดาท่านพระสาวกข้อองสมเด็จพระพู้มีพระภ่าเจ้าที่กําลังรับฟังก็ชี้ว่าเป็นอารมณ์ข้อลหันเป็นอันว่าเราเจะเริญนพ ม, มิหารสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําจิตใจให้เราเข้าสู่นิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสักสวัสิทิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผลจงมีแด่ท่านผู้รับรับฟังสวัสดี